ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบ ก, กวนอยู่เสมอความรบ ก, กวนอยู่เสมออ่าเป็นน้าก็ต้องขุ่นถ้าควรมากาเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเลยแล้วอาบดื่มใช้สอยอะไรก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะมันขุ่นมากจนเป็นตมเป็นโคลน จิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งจงกรมเป็นโครนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่งร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความำวลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรโลกกลัวกันทั้งนั้น ความทุกข์ความลำบากภา ย, ยในจิตใจแล้วเราจะไปทำประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่ให้มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติถ้าจิตสงบก็สบายเช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไร เพื่อป่วนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดพะน้ำนิ่งไม่ถูกยกป่วนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาทว้ตทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรก เรียนยานดูสัตว์ตสัตวโลกในขณะที่กับสรู้ใหม่ๆก็เรียนเรยนานดูจิตใจไม่ใช่เรียนยานดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความนั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทรงเรียนยานถึงจิตใจเป็นสำคัญ ถึงผูกควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะเมียันตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไร เหานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเรง ย, ยานก็เลงดูจิตของสัตว์โลกไม่ไเลงดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปะทะประมะคือมือดบอดทั้งกลางวันกลางคืนดูดู น, นั่งนอนเรียกว่ามืดแปดที่แปดด้าน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 ทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตันยูที่จะรู้ทมได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงย่อยๆเท่านั้นอันนี้พระองค์ก็สงสารและลองลงมาวิปจีตันยูอันนี้ก็สงสารและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้ น, น, น เนยยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งในายหนคือพอแนะนําสั่งสอนได้พอที่จะนําไปได้ถุดลากไปได้พุดเนเงาใหญ่นยยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถยไปได้กันเองไม่เหมือนรประเภทที่ปัฏะปรมะคือนั่นนั่นหมดหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ถ้าใส่รถใส่ราขึ้นเฮ้อเหาะโดยบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับวยวดยานที่จะนำไปนั้นๆความประเพณีนี้เป็นคนที่หมดหวังทั้งๆที่มีชีวิตยอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัจวรทําพระองค์ทรงทราหมด ในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรียงญาณเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อ น, นี้ก็เป็นข้อนหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นจิตมาประจําปัมบาเะเบวิโลกาลังวิญญาณดูสัตว์โลกว่าใครที่คล้องตา พาขายคือพยานของพระองค์ทําไม่คล่องก็ไม่เอานี่หมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นพาชนะอันสำคัญอย่างนิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บ่งการจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บ่งการนั่นนั้น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 อยอยทำนองลอยแหันธรรมที่ท่านพงรงสั่งสอนไว้ถือว่าดำนวนถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรสาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะ ไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจาไม่เคอร์จะละาทานหายไปไหนเลยยงหลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทผิด ก, กันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเราพูดได้อยนี้วันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแม้เมื่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลย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 ก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับคือพวังแห่งความหลับของจิตนี่มถ้าหลับสนิทก็คือว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับตย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกําลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกําลังใจก็มีถ้าลับไปแล้วฝันไปต่าง คือจิตไม่ได้เข้าสูพา่พวังแห่งความความหลับอย่างเสนิทออกเที่ยวเล่ยๆล่อนๆไปนี่หมายถึงเรื่งความฝันความรู้รับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั่นหรือไม่นี่สําคัญถ้ามีสติก็าตามทราบความรู้อันนั้นโดยลํำดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบ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 สิจะทําอะไรก็ทําไปตามภาษีภาษาแห่งคนรู้เฉยๆไม่มีสติรับผิดชอบว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านนั้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วใม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยากทำอะไรก็ทําไปตามภาษีภาษาห น, นี่แหละความรู้แท้ความรู้ ม, รมันตึงอย่างนั้น จิตมเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการแค่ควรอะไรลึกตื้นจากละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่นั้นมีแต่ความรู้โดยลําพังก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่เหมือนอย่างคนบ้านี่พอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าท่อมในสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการไหน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 ถ้ามีสติสตางเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พ่ามีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรังค อ, คอยเร่งคอยรังเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ส่วนจิตของท่านผู้ถึงความบุดพ้นแล้วนั้นไม่ใช่จิตประเภทนี้ความรู้เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีกิเลสแสงนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่ว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สําคัน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 ทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจิงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสําคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคาว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะเกี่ยว่าพุทังสังฆฉามีนี่เป็นพุทธะอันเลิ่โลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐ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 แต่นานขนาดไหนก็คือผู้ น, นี้จะสิ้นสุดวิมุตต์ตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพรจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซากรอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือติดกัหมดเหตุหมดปัจจัย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 ถูกต้องกหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนําอัตธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมว่างแคบได้ตามกําลังความสามารถของเราอีกด้วยาศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นเครื่อง พ, องพยุงโลกให้มีความสมบงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดท่วงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจํำนวนไม่น้อยเหมือนกันว่ า, าศาสนาเป็นเครื่องกดท่วงความเจริญของโลก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 ศาสนธรรมไม่ได้เป็นภัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้อย่างไอถ้าทําเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกพระสมก็ต้องเป็นภัยนี่ไม่ปรากฏส่วนมากกว่คนไม่มีธรรมนั่งละเป็นภัยแต่ตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นม่านังมีความสําคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัย เพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นไัยเบียดก็เป็นไัยโกรธก็เป็นไัยชังก็เป็นไผ่อะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวไผ่เผาลุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้นี้แลคือผู้เป็นไัยสิ่งนี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องตำช้าเดือดสาดเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แลคือตัวภไผ่ถ้าทำไป ซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมา น, นี้จะเป็นภัยได้ยังไงหากว่าเป็นภัยแล้วทำํำจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีจิมในเหลือในพระไทยขึ้นเชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมันนี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ยมุตตพุทธโธ ท, ทั้งดวงนี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐทำของพระพุทพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าทำโมปรีโป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 ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตังสอนและทรงบำเพ็ญ ม, มาแล้วจนในตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นไม่โลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้อย่างไงโลกมันวุ่นวายก็มันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจากผลรู้จักเขาจากเราโลกอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อย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 เหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเหบียดเบียนไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันมีเหลือให้ไม่ปรารถนากันทั้งโลกความที่ทำให้เกิดความก้าวร้าวเครี้ยซึ่งกันและกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นปืนเป็นปายอยู่โดยลําดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลําดับไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะเหตุใดเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้ามาใช้เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสรวนรนนี้จะเป็นเรื่องของอะไร พระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจนกรทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดย้ำหรือดูถูกไม่มีการทำลายเลยให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแ่เ จ, เ จ, เจเ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นให้ความเสมอภาคด้วยกันว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแ่เ จ, เ จ, เ จ, เจเ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกัน เมื่อต่างคนต่างเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจของกันและกันเช่นนี้แล้วจะเบียบเบียนกันลงได้ไหมเบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็นกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นเอมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเลืองหลกปี่ปิดต้หมายปีกความจริงเรื่องตัวไปต่างๆน า, นานาดั่งที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปนักเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราท่านยอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไรอีกคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามดูพี่ น, นี้เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมรักควายเป็นต้นแล้วรักเขาจริงหรือรักจริงๆเนี่ย่รักจริงจริงไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเอง เหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสุขตกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทําลายจิตใจแล้วก็หมัดของกันละกันมีมากน้อยเป็นการทํําทาให้กระทบกระเทือนและเป็นความคิดผายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรือที่โลกจเจริญด้วยอันนี้เหรืออันนี้หรือเรื่องไม่กดทวง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 แม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบสิงนั้นให้หมดแตก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงยังพอลดหย่อนผ่อนาันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นข้าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละทำครองใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอิสระได้เพราะทำครองใจใจเป็นอิสระใจมีความสงบถูกได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรม ตลอดถึงควา ม, มดอดทนจากการกดท่วงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจใจจะร้อนได้อย่างไรทำอยู่ที่เจน็นที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่มาเกี่ยวข้องเลยเย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจนเราหาเราลองคิดดูดีว่าธรรม บทใดแงใดที่ทําความกดทวงทําโลกโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดนึงก็ไม่มีนม่แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกําจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเราจะากให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมัน ถ้าใมันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กับเขามั่งถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคําว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบเพืทีเดียวคําว่าราบทีเดียวคือหมอบราบเพื่อทีเดียวเพราะม่มีทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดทเกลียด ว, ว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดถ้ามีการต่อสู้ก็มีแพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูมิ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 ไม่อยากกับอะไรทางนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่ า, น, า, น, า น, น, น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั่นอยากเห็นนี้เพื่อนั้นเพื่ อ, อ น, นี้อีกต่อไปไม่มีรู้สตุสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็มไม่อยากความไม่อยากความไม่หิ้โหยไม่มีอะไรรบ ก, กวนแล้วพ่อแสนสบายขอให้พากันนาธรรมานไปปฏิบัติรักษาตน ไปสฐานที่ใดไปสฐานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความถูกถูกช่วยดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือชำระสหัสสังสิ่งที่ควรชำระก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดอจะให้ปัสกากวาดัดอย่างท่านอาจารย์ปั้นเคยว่าวาดัทวาดที่นั่นวัดที่นี่วัดอยู่ภายในใจ่ท่านผู้กระทู มีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอวา่าจะปฏิบตัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรไข่ควรดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆนี่ใครจะมาบ้าก็ตามว่าบอกก็ตามขอ้ขอําัผูรับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้ากว่าแล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าแล้ว เ, เป็นร้อยร้อยคนจะมาว่าก็ตามมันมันมันบ้าทั้งนั้นนะคนร้อ ย, อ ย, อยคนนั้นร้อยร้อยคนนั้นน่ะเราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสําคัญทางนาอันนี้ไปเพื่อปฏิบัติ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 นั่งอยู่ในบ้านเด็สุกะโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็นสบายหาละแทนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร